อย่าถ่ายอย่าถ่ายรูปนะหลงพ่อเป็นคนเหนียมกล้องเห็นกล้องแล้วธรรมะหนีไปหมดเลยเมื่อวาดกำลังเทศเทศนะธรรมะกำลังลายลายเลยหายไปเลยรวนธรรมะนะฟังเปิดใจเปิดใจกว้างๆทำใจสบายๆ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 ลองไปทำดูนะนีลองไปทาดูแลดูซิหัดรู้สภาวะอย่างนี้สติจะเกิดหรือไม่เกิดนะถ้าหัดรู้สภาว ะ, แ ล, วาวะแล้วสติไม่เกิดเนืหลวงพ่อประโมทโกหกหลอกลวงนะถ้าหัดรู้สภาวะสักเดือนนึงนะอย่าไปคิดเอานะให้รู้สภาวะไม่ใช่ให้คิดเรื่องสภาวะแล้วก็ไม่ได้ให้เพ่งสภาวะไม่ใช่ไปเพ่งร่างกายเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องนะ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 มันไม่ไหวแล้วใช่ไหมก่อนที่กิเลสจะตัวใหญ่นะกิเลสก็ตัวเล็กมาก่อนงั้นถ้าสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะกิเลสตัวใหญ่ไม่มีโอกาสเกิดพอตัวเล็กเกิดแป๊บปบะขาดไปขาดไปดับไปดับไปงั้นกิเลสจะไม่รุนแรงแล้วไหวแว บ, บขึ้นมาก็ดับความทุกข์ในใจเราเปลี่ยนไปเคยทุกข์หนักๆนะก็เหลือทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานๆก็เหลือทุกข์แป๊บเดียว เน่เราจะวัดความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองได้ชีวิต จ, จิตใจของเรานะี่ยแต่ก่อนนี่เคยมืดมืดมัวมัวแต่มืดมัวมาตลอดเนี่ยดูไม่รู้หรอกว่ามัวเหมือนเราเป็นตาต้อสมมติเราเป็นต้อนะมองอะไรไม่ชัดมาตั้งหลายปีนะก็รู้สึกว่าชัดดีละวันไหนไปรอบต้ อ, อ, อนะถึงจะรู้ว่าโอ้มันชัดกว่ากันเยอะเลยทุกวันนี้คนในโลกมันหลงตลอดมันรู้สภาวะไม่ได้มันมืดมืดมัวมัวจิตใจก็มื ด, ม ด, มมจจมดบอดมัว แตวันใดที่ตื่นขึ้นมาก็จะรู้เลยตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นมันมืดพอเราตื่นขึ้นมาเรามีสติเรารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะจิตใจเราสว่างไสวขึ้นมามนรู้มันตื่นมันเบิกบานจิตใจเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสะอาดเข้าถึงความสว่างขึ้นมาจิตใจมีความสุขอยู่ในตัวเองนะแล้วก็ค่อยรู้กายก็ยรู้ใจของเราเรื่อยไปเนี่ยถ้าฝึกนะอย่างถูกต้องนะประมาณเดือนเดียว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 ก่อนรู้ไม่ได้อยากรู้เที่ยวแสงหาระหว่างรู้ไม่ถลำลงไปรู้แต่ตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นยรู้แล้วไม่แทรกแซงเรียกว่าจิตเราตั้งมันนะ่นเป็นกลางถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเราจะเห็นทั้งกายนี้ใจนี้ไม่มีตัวเราร่างกายก็เป็นเพียงรูปที่เคลื่อนไหวเ ป, เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตใจเป็นแค่นามธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ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 ตัวอย่างเจ็ดวันบรรลุพระอราหันต์ใครรู้ไหมตั้งหลายองค์เ่ยพระโมคคัลลาเจ็ดวันอย่านึกนะว่าจะบอกคนรุ่นนี้คนรุ่นนี้ใครจะไปรู้ใช่ไหมใครจะบรรลุใครจะเป็นยังไงใครจะไปรู้ลนะ่ะเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสเต็มให้เนี่ยมีหลายองค์นะอย่างพระมหากัสปะใช้เวลาเจ็ดวันเป็นพระอราหันต์พวกเรานะ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 รุ่นเดียวกันนะเขาพ้นถูกพ้นร้อนไปหมดแล้วท่านยังทําไม่ได้แต่ท่านบอกอีกร้อยชาติท่านก็จะทํานี่จิตใจอย่างนี้นะโอ้ฟังแล้วกราบท่านเต็มไม้เต็มมือเลยนะท่านคนใจเด็ดจริงๆน่านับถือเันะ้นพวกเราอย่ารีบร้อนบางคนภาวนาเนี่ยหนูฝึกมาทั้งสเดือนแนละ้วทำไมหนูยังไม่ได้โอ้ทีละหนูสะสมกิเลสมาตั้งหลาย10ปีหนูไม่พูดเลยนะ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 ไม่ใช่ว่ารู้รลทุกข์ทรมานเมื่อไหร่ที่รู้แล้วทุกข์ทรมานแปลว่าทําผิดถ้าทําถูกนะจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นมหากุศลจิตเนี่ยจะมีเวทนาได้สองอย่างคือโสมนัสเวทนามีความสุขผุดขึ้นมาจะมีอุเบกขาเวทนาเป็นกลางความเป็นกลางของจิตก็เป็นความสุขนะความเป็นกลางของเวทนาดนะ้วยก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่ประณีตยิ่งกว่าโสมนัสอีกนะ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 ถ้าเรารู้ทันนาะใจมันค่อยไม่วิ่งใจมันค่อยตั้งมั่นขึ้นทีละหน่อยๆทีแรกก็ตั้งได้แว บ, บเดียวก็ไหลไปแวบบไหลๆหลฝึกไปเรื่อยเนื้อสุดใจมันอยู่ยกับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวฝึกไปมากเข้ามากเข้านะพอใจเราไม่ลืมเนื้อลืมตัวเราเห็นกายมันทางานเห็นจิตมันทางานก็จะเกิดปัญญาคือเห็นไตรลักษณนะ์ปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจ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 ดันั้นใจที่มีสมาสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิไม่เหมือนกันสมาธิที่พวกเราส่วนใหญ่เคยฝึกกันมานั้นเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธินี่จิตจะเข้าไปเพ่งในอารมณ์นิ่งๆอยู่จิตจะเข้าไปแช่อยู่ในอารมณ์จิตจะไหลไปไหล mm. ไปแช่อารมณ์เช่นเวลารู้ลมหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลารู้รท้องพองยบนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้อง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 ใส่บาตรมาเยอะชาตินี้บรรลุพระอรหันต์ไว้ไม่ใชนะ่หรือเคยเจอพระพุทธเจ้าไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าแล้วก็สาธุนิพพานปัจจโยโหตนะุชาตินี้กินกินนอนๆแล้วก็บรรลุไม่มีทางหรอกนะไม่มีของฟรีไม่มีของฟลุกหรอกนะอย่างเราทําบุญใส่บาตรใช่ไหมผลคืออะไรเราล่ความโลภของเราความโลภ ล, ลดลงว่าภาวนางน่ายต้องอย่างนี้ถึงฉลาดทําบุญใส่บาตรแล้วหวังว่า จะเกิดปัญญานี่คนละเรื่องกันเลยเหมือนอยากได้ลูกมะม่วงแล้วไปทํานาไม่ได้คนละเรื่องกันนะทําเหตุกับผลให้ตรงกันนะอยากให้เกิดปัญญาก็มีสติรู้กายรู้ใจได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไปนะส่วนศีลนแะสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนทําเหตุกับผลให้พอดีกันนะทำเมื่อไหร่พอดีทําไปเรื่อยๆมีหน้าที่ทําไปเรื่อยๆคล้ายๆเรากินข้าวนะ เรากินข้าวเรารู้ไม่เมื่อไหร่จะอิ่มเรายัางไม่รู้ใช่ไหมเราค่อยๆกินไปเรื่อยๆถึงเวลาหนึ่งมันก็อิ่มถามว่าอิ่มของแต่ละคนเท่ากันไหมไม่เท่ากันะแต่ละคนกินเท่านี้ไม่อิ่มเท่ากันะบางคนต้องกินเยอะๆถึงจะอิ่มบางคนกินนิดๆหน่อยๆก็อิ่มบางคนไม่ทันใจกินเลยก็อิ่มก็มีนะเพราะกินไม่ลงแล้วเบื่อ <c oughs> เราภาวนาไปนะจนใจเราอิ่มใจเราพอ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 ถึงมีสติก็สติอย่างโลกโลไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่สติรู้กายรู้ใจคนที่มีสติรู้กายรู้ใจนี่นับตัวได้เลยเพราะนั้นคนที่บัรู้มากคนนี่ผ่านถึงมีน้อยเหลือเกินวันนี้เทศมาวันที่สี่เสียงไม่ค่อยจะมีละเอาไปทานข้าวนะ